แม่ไม่เป็นเหมือนดังเก่าคอแถเรายาลืมได้ไหมแม่สองเราต้องร้างรางไปอยากใหใจรู้สึก รู้สึกดีดีไม่ได้รักก็ไม่เป็นไรรอกฉันพอจะเข้าใจ The. Yeah.